วันนี้เป็นวันพระขึ้นแปดค่ำเดือนเก้าเป็นวันสมาฐานศีลของพวกเราในพรรษาขอให้พวกเราพุทธศาสนิกชนขอให้เหนียวแน่นในการทำคุณงามความดีโดยเฉพาะอย่างยิ่งเรื่องศีลธรรมเพราะว่าเรื่องศีลธรรมทุกวันนี้ รู้สึกว่าพวกเราพุทธศาสนิกชนให้ความสาคัญน้อยลงตามลำดับอย่างหนึ่งหลวงพ่อคิดว่าคงจะขาดการได้ยินได้ฟังได้ศึกษาแล้วก็รู้สึกว่าพวกเราก็ห่างเหินไปแต่ถ้าคำว่าพวกเราได้ฟังได้ศึกษา อยู่เรื่อยว่าศีลธรรมนั้นมีคุณค่ามีประโยชน์อย่างไรเป็นคู่เคียงกับการสะแสวงหาทรัพย์บริวาการทำมาหาเลี้ยงชีพเป็นของคู่กันถ้าว่าการสสแสวงหาปัจจัยสี่เพื่อยังชีพขาดตกบกพร่องก็ น, นับว่าไม่ดีแน่เพราะเห็นเห็นแต่ถ้าหว่าขาดศีลธรรมในจิตใจอันนั้นจะมองเห็น กันยากแต่ถึงยังไงผลระยะยาวก็มองเห็นกันได้เพราะโลกทั้งโลกจะเดือดร้อนสิ่งที่ไม่เคยได้ยินก็จะได้ยินสิ่งไม่เคยได้เห็นก็จะได้เห็นเพราะเหตุไรเพราะคนขาดศีลธรรมถ้าขาดมากๆคนนี้ก็จะกลายเป็นมิจฉสินจีเห็นกันก็เป็นผักเป็นปลากันทั้งหมดเพราะเหตุไรเพราะไม่มีเมตตา ไม่มีน้ำใจไม่มีการเสียสละให้กันโลกทั้งโลกอย่าหวังเลยว่าจะมีความผาสุขขึ้นในชุมชนและสังคมเพราะเหตุไยเพราะคนขาดศีลธรรมเพราะนั้นศีลธรรมของพระพุทธเจ้าที่ท่านบัญญัติไว้แล้วบัญญัติมาตั้งแต่สองพันกว่าปี มาถึงพวกเราท่านทั้งหลายท่าวันนำมาวิเคราะห์นำมาพิจารณาไตรตรองด้วยเหตุและผลแล้วศีลและธรรมของพระพุทธเจ้าที่บัญญัติไว้นั้นมีคุณค่ามีสาระประโยชน์จริงแต่พวกเราพุทธศาสนิกชนขาดความใส่ใจขาดความสนใจเท่านั้นเองก็เลยไม่มีคุณค่าไม่มีคุณภาพเออ ในตัวของพวกเราในยุคนั้นสมัยนั้นแต่ถ้าว่าพวกเรามีการค้นคว้าศึกษาแล้วก็นำมาประพุติปฏิบัติสิ่งที่เราหลงลืมไปนั่นน่ะจะมีคุณค่าขึ้นมาทันทีเพราะนั้นพวกเราทุกๆ ท, ท่านนะเรื่องศีลธรรมเนี่ยเหมือนกับเพชรนินกินดาในครั้งนู้นกับครั้งนี้มีคุณค่าเสมอกันแต่บางยุคบางสมัย เราก็ไม่ได้สนใจปล่อยทิ้งไว้ปล่อยปะละเลยก็ทำให้ตัวเองยากจนแต่เมื่อใดคนเห็นคุณค่าของเพชรพลอยเพชรนินกินดาก็ขุดเพชรนินกินดาขึ้นมาประดับในยุคนั้นก็เป็นยุคสีวิไลแพรวพาวไปหมดด้วยความมั่งคั่งสมบูรณ์ด้วยเพชรนินกินดาไปที่ไหนๆก็ดูดูแล้วก็เจริญตาเจริญใจ ที่คนประดับเพชรพลอยเหลืองอลามไปหมดแต่ยุคใดสมัยใดคนไม่ให้ความสำคัญคนที่เกลียดที่คลานาไม่ทำการงานในยุคนั้นคนก็ยากจนดูแล้วก็หน้าซอยหงอยเหงาเต็มไปด้วยของสกปรกรกครุงรังเพราะไม่มีสิ่งที่จะอยู่จะกินจะใช้ ศีลธรรมถ้าจะเปรียบเทียบก็อย่างนั้นแหะถ้ามายุคใดพวกเราให้ความเชิดชูบูชาคุณธรรมศีลธรรมคุณธรรมศีลธรรมก็เจิดจ้าขึ้นสู่ดวงใจของพวกเราพวกเรามองเห็นกันก็มีแต่ความยิ้มแย้มแกมใสมีแต่ความเอื้อเฟื้อเอื้ออารีต่อกันมีแต่ความเมตตาใครตกทุกข์ได้ยากอย่างไรก็พยายามช่วยเหลือเจือจานกันตาผู้ใด มีความทุกข์กายก็ช่วยคิดช่วยพิจารณาด้วยกันว่าจะช่วยเหลือเขาอย่างไรถ้าว่าเขาขาดไม่มีอันจะอยู่จะกินเรามีอยู่มีกินเราก็พร้อมที่จะแบ่งสรรปันส่วนให้เขาอยู่ได้ถ้าเขามีความทุกใจเราจะช่วยเหลือปลอบโยนเขาอย่างไรเอาให้เขามีคุณธรรมเอาศีลธรรมเข้าสู่จิตใจของเขาให้เขาเป็นสัมมาทิฏฐิคิดไปในทางที่ถูกต้อง ถ้ามนุษย์อยู่ด้วยกันด้วยความมีเมตตาต่อกันแล้วโรคทั้งโลกมีแต่ความร่มเย็นเป็นสุขแต่ถ้าว่าโรคทั้งโลกอยู่ด้วยกันแข่มแมงเกี่ยวใครก็ว่าใครแต่ไม่มีการยึดจุ่นต่อกันถ้าเอากฎหมายมาพูดเอากฎหมายมาพูดเลยไม่ได้ดูวเจตนาของเขานนะั้เป็นอย่างไรผิดถูกอย่างไร อ, อย่างนี้เป็นต้น ผลที่สุดก็นี่แหละทางว่าพวกเราใช้แต่ทิฏฐิมานะเข้าหากันแล้วโลกทั้งโลกก็เดือดร้อนนะเพราะนั้นพวกเราวันนี้เป็นวันพระขึ้นแปดค่าเดือนเก้าเป็นวันปฏิบัติธรรมขอให้พวกเราปฏิบัติคงเส้นคงวาอย่าให้ขาดอย่าได้ขาดถ้าไม่จําเป็นจริงจําเป็นจริงนั้นคืออะไรจําเป็นจริงก็คือ พวกเราเจ็บไข้ได้ป่วยหรือว่าพ่อแม่วงศาคณะญาตาิแอเจ็บไข้ได้ป่วยความจาเป็นอันนั้นก็ควรจะดูแลในสิ่งที่จาเป็นก่อนแต่เมื่อหมดความจำเป็นแล้วเราไม่ควรจะปล่อยปล่านเลยนะควรจะเบิกถอยหลังอีกว่ากี่วันพระที่เราขาดมาล้วก็ควรจะรักษาศีลให้เพิ่มขึ้นอีกสรุปแล้วก็คือไม่ให้ขาดตกบกพร่องในศีลธรรม สิ่ไห น, นจะขาดก็ขาดไปแต่เรื่องสัจจะคือความจริงจังและจริงใจนั้นอย่าให้ขาดทางด้านจิตใจของพวกเราเพราะฉะนั้นในพวกเราทุกๆท่านนะรักษาสินยาได้ขาดในพรรษาถึงจะไม่มาวัดก็ให้รักษาอยู่ที่บ้านรักษาอยู่ที่บ้านถ้าจําเป็นรักษาอยู่ที่บ้านก็ได้ศินห้าประการหรืออย่างที่หลวงพ่อได้อธิบายให้ฟังหรือรักษาศินอุโบสถก็อย่างที่หลวงพ่อได้อธิบายให้ฟังแต่ข้อสํำคั ญ, ญอยาได้ขาดให้สม่ําเสมอ ศีลธรรมเหมือนกับเป็นอาหารทางด้านจิตใจแต่อาหารทางร่างกายของเรายังขาดวันหนึ่งเราก็ยังกระวนกระวายอันนี้อาหารของเราขาดทั้งปีทั้งเดือนขาดทั้งพบทั้งชาติเราจะเป็นหัวเราะแห่แหหอยู่ได้ยังไงขาดศีลธรรมใจขาดศีลธรรมมีแต่ความเหี่ยวแห้งอับเฉานะหาความเจริญรุ่งเรืองไม่ได้แต่พราะนั้นพวกเราพุทธศาสนิกชนนาะวันนี้เป็นวันพระ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 ที่น้องประชาชนให้ได้ยินได้ฟังเพราะพวกเราท่านทั้งหลายจะเฉลียวฉลาดจะมีความรู้รอบคอ บ, ข, อบขึ้นมาได้ในหลักของพระพุทธศาสนาพวกเราก็ต้องอาศัยการได้ยินได้ฟังแต่วิชาอย่างอื่นนั้นกับพวกเราก็ได้เรียนได้ศึกษาตามความเหมาะสมหรือตามความสามารถของแต่ละคน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 สนทนาปารบหรือว่าไม่มีการแสดงธรรมพอได้ฟังธรรมเทศนาของพระพุทธเจ้าก็ได้สาเร็จมรรคสาเร็จผลเป็นส่วนมากเพราะยุคนั้นเป็นยุคเกรดเอพระพุทธเจ้าเขาได้ตัดสู้ธรรมก็ได้นาธรรมที่พระองค์ได้ตัดสู้มาบอกกล่าวจริงๆจังๆและพวกท่านเหล่านั้นก็เป็นผู้มีบุญวาสนาบา ร, รมีเก่า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 แต่พุทธศาสนายัางไม่มีการประชุมเพราะพุทธศาสนาเกิดขึ้นมาใหม่พระเจ้าพิมพิสารกขาว่าพุทธบริษัทควรจะมีการประชุมหารือกันเป็นครั้งคราวเป็นบางวันจัดวันขึ้นมาดีไหมพระเจ้าข่าก็เลยขึ้นไปเข้าไปกราบทูลพระพุทธเจ้าพระพุทธเจ้าท่านเออเอาดีก็เลยบัญญัติขึ้นมาว่าทุกวันพระแปดค่ำสิบห้าค่ำพุทธบริษัทสี่ควรจะประชุมกัน ปรึกษาปารพบกันสนทนาปรารพบกันสนทนาธรรมกันธรรมฉากัะฉาคือว่าปรึกษากันศึกษากันในธรรมใครรู้อะไรออกมาก็อธิบายหรือว่าสแสดงธรรมให้กันฟังในวันแปดค่ำส5คห้าค่ำตั้งแต่บัดนั้นเป็นต้นมาก็เลยถือเป็นประเพณีกันมาตั้งแต่ยุคการสมัยนั้น นี่แถ้าจะว่าไปพระพุทธศาสนาพระพุทธเจ้าท่านมองเหตุมองผลถึงว่าใครก็ตามถ้าว่าใครดีกว่าในจุดเนี้ยที่ว่าเขามีการไปชมกันทุกวันพระอย่างเนี้ยหรือทุกวันอาทิตย์อย่างนี้แหละดู ว, ว่าเขานัดกันเป็นวันอย่างนี้พระพุทธเจ้าท่านก็เออมีประโยชน์เพราะว่าการครบหาสมาคมกันในทางที่ถูกต้อง คนท่าไหวต่างคนต่างอยู่หันหลังให้กันไม่หันหน้าเข้าหากันถึงจะเจริญรุ่งเรือง ม, มีความรู้ความฉลาดขนาดไหนก็เป็นความรู้ที่แตกขนแขนงไปในความคิดแต่ละท่านแต่ละคนเพล่เพล่ก็กลุ่มของใครของเราเป็นผู้แนะนำสั่งสอนไม่ได้เอาคุณงามความดีหันเข้ามาหากันศาสนาของพุท ธ, ธหรือว่าวิชาขนแขนงนั้นที่จะเป็นวิชาที่ โดดเด่นก็กลับเป็นมันแตกขแขนงกันไปแนวความคิดก็จะไม่เข้ากันแต่นี้ถ้าว่าทุกคนมีความรู้ความฉลาดได้ศึกษามาแนวแถวเดียวกันก็ามาปรึกษามาประพฤติปฏิบัติแล้วมันแตกขแขนงออกไปอย่างไรก็หันหน้าเข้าหาการหันความรู้ความสามารถความฉลาดปัญญาเข้าหากันแล้วก็ผลึกให้แน่นมีการสนทนาปารบกันนี่แหละ อันนี้คือหลักของพุทธาศาสนาพระองค์ได้นําประเพณีของาศาสนาอื่นในยุคสมัยนั้นเข้ามาให้พุทธบริษัทสีของพระพุทธองค์ได้มีการประชุมกันไหว้พระแตสมัยนั้นก็คงจะไม่ไหว้พระก็คงจะถือดอกไม้ผูกเทียนไปการาบคารวะพระพุทธเจ้าจากนั้นก็พระองค์ก็ขึ้นแสดงธรรมให้พุทธบริษัทสีฟัง เมื่อก่อนที่จะแสดงธรรมพระพุทธองค์ก็ได้มองดูในพุทธบริษัทนั้นว่าผู้ใดมีบารมีแก่กล้าพร้อมที่จะรับธรรมในวันนี้ที่จะได้รับจะได้สําเร็จมรรคสาเร็จผลในวันนี้มีไหมลองลงมาก็พูดถึงพระไตรสารณคมหรือจะเลื่อม ใ, ใสในพระพุทธศาสนาอย่างนี้พระพุทธองค์ก็จะมองดูมองดูด้วยญาณ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 เลี้ยงชีวิตเนื่องด้วยผู้อื่นเรามีชีวิตของเราเราเลี้ยงชีวิตของเราเนื่องด้วยผู้อื่นเราควรทําตัวให้เขาเลี้ยงง่ายเพราะพระเจ้ามาให้เลี้ยงยากให้เลี้ยงง่ายมีอะไรก็ฉันพอฉันแล้วก็อาจบจากนั้นก็ตั้ง อ, อกตั้งใจภาวนาส่วนคณะศรัทธาญาติโยมเห็นพระสงฆ์หรือเห็นภิกษุณีในยุคสมัยนั้นก็นนเห็นเออท่านเป็นผู้ปฏิบัติแข่งในศีลธรรม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 แต่พวกเรายังติดข้องอยู่ในโลกมากมายหลายอย่างเพราะฉะนั้นเราพวกเราท่านทั้งหลายจนี่เป็นฆรวัวาสญาติโยมเออพร้อมที่จะสนับสนุนที่พระสงฆ์หรือภิกษุณีในยุคสมัยนั้นยุคสมัยนี้ต่อมาก็ลักษณะนั้นเหมือนกันนั่นแหละอันนี้คือการเกื้อกูลหนุนกรรันฆราวาสศรัทธาญาติโยมเกื้อกูลหนุนพระสงฆ์แต่พระสงฆ์ที่บวชเข้ามาในพระพุทธศาสนา อันนี้พระพุทธเจ้าคนเน้นหนักอีกทีหนี่เมื่อเราก็มาบวชในพพุทธศาสนาแล้วให้เป็นผู้ดำรงอยู่ในศีลธรรมศีลธรรมของพระพุทธเจ้าศีลก็คือศีลสองอยิเจ็ดคือศีลพระสงฆ์ถ้าว่าพวกเราทําไม่ถูกต้องตอ่อศีลธรรมแล้วมันก็ไม่แพ้ฆราวาสญาติโยมเขาแล้วเขาจะทําบุญเขาจะกราบเราลงได้อย่างไรแต่ถ้าว่าเราเปฏิบัติ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 อย่างนั้นถ้าไม่ถูกใจตัวเองไม่เอาถือว่ามันไม่ถูกเออแต่นี้เขามาพูดว่าเอ้าสมัยก่อนครั้งพุทธกาลนะค้งพระพุทธเจ้าท่านไม่ได้บัญญัติพินัยอย่างนี้หรอกเมื่อพระพุทธเจ้าตรัสรู้ใหม่ท่านไม่ได้บอกท่านไม่ได้กล่าวมีแต่ท่านเทศธรรมะเลยก็ฟังได้สําเร็จแล้วก็จบพินัยไม่มีนู่นเอายุคสมัยดึกําบรนมาพูดตัวเองก็เลยไม่มีศีลไม่มีธรรมไม่มีคุณภาพอะไรเลยอยู่แบบป่าเถื่อนไปเนี่ย อยู่แบบคารวะาญาติโยมไปอย่างนั้นมันไม่ถูกนะเราเป็นพระนะในเมื่อพระพุทธเจ้าได้บัญญัติสินลิวินขึ้นมาอย่างไรแล้วพวกเราก็ควรจะปฏิบัติตามสินลวิวในให้เคร่งครัดถ้าเราทำตัวเคร่งครัดในสินลิวินไม่ได้เราก็ไป่ควรจะอยู่ในพุทธศาสนาเราอยู่ทำไม่มันขวางทำให้คนพุทธบริษัทจีอุบาสกอุบาสิกาศรัทธาญาติโยมเขาใส่บาตร ท, ทาบุญ เหมือนกับตัวเองเหมือนกับคารวาสอย่างนั้นแหละเพราะตัวเองไม่มีศีลอในตัวเองทำตนไม่ดีทำตนไม่เหมาะสมอย่าง น, าานี้พระพุทธเจ้าตำหนิเฮ้พระพุทธเจ้าว่าโมฆะภิกษุเปลีพ่อผู้เปล่าประโยชน์โมฆะบุรุษเนี่ยบุรุษก็คือเป็นผู้เปล่าประโยชน์ในธรรมของพระพุทธเจ้าอันนี้แหละพระพุทธเจ้าท่านผู้ท่านประนามท่าน พูดให้แกพระสงฆ์ถึงขนาดนั้นถาาว่าพวกเราได้ศึกษาได้อ่านในพระไตรปิฎกเราจะเห็นคำอย่างนี้บ่อยมากในพระไตรปิฎกเพราะนั้นพวกเราเป็นฝ่ายพระสงฆ์ที่เข้ามาสู่ภายในหรือว่าเข้ามาสู่วงในกลุ่มพระสงฆ์เขาขอให้พวกเรา ท, ทุกทท่านที่เข้ามาบวชแล้วให้เป็นสงฆ์จริงๆถึงจะเป็นมาบวชเป็นชั่วครั้งชั่วคราว มาบวชเพียงสามเดือนหรือสิบห้าวันก็ให้เป็นสงในขณะที่บวชกายว า, ายใจใจของเราให้อยู่ในกรอบของหลักพระธรรมวินัยให้เป็นที่ยอมรับของพุทธบริษัทสิโดยเฉพาะอย่างยิ่งอย่าให้มีเรื่องราวเดี๋ยวนี้บางสิ่งบางอย่างบางแห่งพระสงฆ์ทาออกนอกกรกนอกทางไม่รู้ในสิ่งที่พระพุทธเจ้าบัญญัติพระสงฆ์ก็ทาพระก็ทอ แต่ทีนี้เรก็มันก็อยู่ในกลุ่มเดียวกันถ้าจะว่าไปก็คือพระสงฆ์กลุ่มนั้นกลุ่มทุกกลุ่มก็คือยูนิฟอร์มเดียวกันไม่รู้องค์ไหนผิดองค์ไหนถูกกระทาให้พุทธบริษัทสี่เห็นองค์ที่กระทําผิดนั้นเอืองละอาก็ถอยคลายคลายศรัทธาไม่นับถือพระพุทธศาสนาก็ทําให้ผู้ที่เขาคลายนั้นทําให้เสีย อนาคตดูเสียบุส่วนบุญส่วนกุศลของเขาเน่องเพราะเหตุใดเพราะทำเพราะเราไปทาตัวไม่ดีให้แกเขาไม่นับถือเดื่อมใสยัทธาสิ่งเหล่านี้ก็ฝากไว้กับพระหมู่เพื่อนลูกหลานทุกๆองค์นะ่ะให้ช่วยๆกันประคับประคองพระพุทธศาสนาแล้วก็พวกสัทธทาย ญ, ญาติโยมก็เหมือนกันก็ให้มองมองหลักธรรมทินัยเป็นหลักอย่าไปมอง ไปเลื่อมใสศรัทธาแบบปรับหูหลับตาพระทำยังไงกับนับนับถือศรัทธาของเขาอย่างนั้นมันก็ไม่ถูกต้องมองหลักธรรมวินัยของพระพุะทธเจ้าพระพุทธเจ้าบัญญัติอย่างไรถ้าว่าพระสงฆ์องค์นั้นทําไม่ถูกเราก็พร้อมที่จะประนามเพราะเราเป็นพุทธบริษัทสี่อุบาสกอุบาสิกาพร้อมที่จะแนะนําพร้อมที่จะบอกกล่าวเพราะ น, นี้ท่านไม่ทําไม่ถูกตามหลักพระธรรมวินัยนะ เอออย่างนี้ไม่ใช่ว่าร้ายช่างชีดีสร้างสงฆ์ท่านทำอะไรก็ทำไปเหยียบย่ำหลักธรรมภายในก็เคารพนับถือเรื่องสายไปอย่างนั้นฟังตั้งแต่ว่าเขาขี้อวดเป็นอย่างนู้นขี้อวดเป็นอย่างนี้แต่ตัวเองก็ไม่ได้อักดูอักลับกิรยาในการกระทำของสงฆ์เหล่านั้นตามที่จริง ใจถ้าใจเป็นธรรมแล้วกายวายจาก็จ้องตออกเป็นธรรมจะต้องเคารพในหลักธรรมคำสั่งสอนของพระพุทธเจา้าเพราะนี้คือไม่ใช่าศาสนาของเราไม่ใช่เราเป็นต้นาศาสนาเป็นต้นพระพุทธศาสนาเป็นาศาสนาของพุทธพระพุทธเจา้าเมื่อท่านบัญญัติแล้วเราจะพอใจไม่พอใจอย่างไรในจุดนั้นเราก็ต้องปฏิบัติตามทำคําคสั่งสอนของท่านถ้าเราไม่พอใจใครนะให้เราอยู่เออเราก็ออกสิ ออกจากยูนิฟอร์มนี่สิจะไปตั้งศาสนาอื่นใดก็ได้ใจ ช, ชุดสีเขียวสีแดงสีเหลืองอะไรก็ว่ากันไปแต่เมื่อเราอยู่ในยูนิฟอร์มนี้เราก็ต้องปฏิบัติตามยูนิฟอร์มนี้นี่แหละข อ, ขอให้พุทธบริษัทสีทั้งหลายให้หูแจ้งตาสว่างให้มีศีลธรรมในจิตใจให้เอาหลักพระธรรมวินัยมาศึกษาโดยเฉพาะอย่างยิ่งที่พลที่เคยบวชมาแล้วนะ่ะให้ศึกษาถ้าองค์ไหนเดินผิดออกจาก หลักพระธรรมวินัยออกนอกลูก่นอกทางแล้วนั่นลหละองค์นั้นแลนนปลว่าไม่มีคุณธรรมในจิตใจแล้วไม่มีศีลและจะมีธรรมได้อย่างไรศีลและธรรมเป็นของคู่กันเพราะนั้นอันนี้กขขอฝากไว้กับชุมชนสังคมพวกลูกพวกหลานจัททายาิโยมทุกท่านนะถ้าจะว่าไปแล้วเหมือนกับประนามพระสงฆ์ไม่ใช่เราเป็นพุทธบริษัทสี่ต้องกล่าวตักเตือนซึ่งกันและกัน ถ้าว่าพวกเราไม่กล่าวตัดเตือนซึ่งกันและกันแล้วมีแต่หันหลังให้กันแล้วก็ชุบชิบชุบชิบชุบชิบเลยมันไม่เกิดประโยชน์ถ้าว่าพวกเราเห็นองค์ไหนกระทาผิดแล้วพวกเราก็เออเอาช่วยกันบอกช่วยกันกล่าวช่วยกันตัดเตือนนี่แหะคือพุทธบริษัทธสีเป็นผู้หวังดีต่อพระพุทธศาสนาแต่สําหรับศรัทธาญาติโยมพระพุทธเจ้าก็สอนไว้ให้ทานเนอรรักษาศีลภาวนาอย่างพวกเราท่านทั้งหลายมาวัดในวันนี้ ก็ได้มาทำบุญทําทานตักบาทแล้วก็พร้อมกันก็พร้อมที่จะอุทิศส่วนกุศลถึงพ่อแม่ปู่ย่าตายายปวงสาคานาญาตของเราที่หลวงรับไปอันนี้ก็คือเป็นประเพณีพวกเราที่เป็นครว่าต์มีภาระทุระหน้าที่การงานมากได้ทําได้ขนาดนี้ก่อนับว่าเป็นบุญเป็นกุศลอย่างมากถือว่าเป็นพุทธบริษัทจีอยู่วงนอก เ, ออเป็นยศพพุธ พระธรรมพระสงฆ์เป็นสารณะเป็นที่พึ่งไม่ถือศาสนาหรือศาสนาอื่น อ, อ, อันนี้ก็คือพุทธบริษัทสี่ไม่ถือมงคลตื่นข่าวไม่ได้ให้เชื่อกรรมเชื่อผลของกรรมกรรมคืออะไรกรรมคือการกระทำถ้าเราทำดีแล้วมันจะไปไหนก็นไไนนต้องดีถ้าทาเราทำกรรมชั่วแล้วมันจะได้ดีได้อย่างไร ถ่ายได้ดีก็ถ่าย ด, ดีแบบหลอกๆแบบจอมปลอมตัวเองนั่นแหละเพราะนั้นขอให้ทุกบริษัทสีนะ่ศรัทธา ญ, ญาติโยมนะให้เชื่อมั่นในการกระทําของตนเองอืถ้าว่าพวกเราทําดีแล้วทําไมเจ็บไข้ได้ป่วยอันนั้นมันห้ามไม่ได้ถึงจะใครก็ตามเถอะเ อ, อจะเป็นศาสดาอย่างพระพุทธเจ้าก็ยังเจ็บไข้ได้ป่วยเรื่องเจ็บไข้ได้ป่วยเป็นธรรมดาพระพุทธเจ้าท่านว่าเรามีความแก่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 ถ้าหวังพระพุทธเจ้ามีทานญานณทัศนะหรือพระอรหันรต์ท่านมีญาณทัศนะท่านก็จะบ่งบอกว่าอื้อกลัมตัวนี้ของเราเราคงจะได้ทํากับเขาไว้ในอดีตชาติคงจะได้ฆ่าได้ทุบได้ตีเขามาก่อนในยุคนั้นสมัยนี้พระพุทธเจ้าพระอรหันทรสาวกท่านก็จบอกกล่าวให้แก่พวกเราแต่เอาเถอะเราอยากไปรู้ถเถ อ, อถ้าทํากลัมไม่ดีไว้แล้วกลัมไม่ดีจะ ต, ต้องตามสนองเราอย่างที่พระพุทธเจ้าตรัสว่า อากาตังลุ ก, กตังเสยโยชาติปฏิลู ก, กตังกรรมชั่วอย่าทำเฉลยดีกว่าเพราะกรรมชั่วนั้นย่อมเผาผานติดตามไล่ตามติดตามเรามาเผาผานเราเมื่อภายหลังเพราะฉะนั้นอย่าทำํำสิ่งที่มันไม่ดีรู้แล้วทําแล้วกลัมคือการกระทําแล้วพระพุทธเจ้าท่านเน้นหนักจุดนี้อย่างมากเพราะฉะนั้นควรพวกเร า, วเราควรจะทําแต่กลัมดี ลำดีนั่นคืออะไรให้ทานให้ทานมีหลายอย่างอภัยทานวิทยาทานธรรมทานให้ทานจตุปัจจัยข้าวน้ำโภชนะอาหารล้วนแล้วจะเป็นทานและกจากนั้นก็ปฏิบัติบิดามารดาของตนเองอันนี้ก็เป็นบุญเป็นกุศลอันยิ่งใหญ่เพราะการปฏิบัติบิดามารดาท่านว่าพ่อแม่เป็นพระหันของบทธิดาเราจะอองข้ามไม่ได้จุดนี้ ให้ปฏิบัติให้โดยความปฏิบัติด้วยความเคารพรักเคารพต่อบิดามารดาเมื่อท่านได้เลี้ยงดูเรามาแล้วเลี้ยงท่านตอบทํากิจ ธ, ธุระของท่านดํารงวงศ์สกุลประพฤติตนให้สมควรควรรับทรัพย์มรดกเมื่อท่านล่วงลับไปแล้วก็ยังไม่ให้ทอดทิ้งอีกเมื่อท่านล่วงลับไปแล้วทําบุญอุทิศสวนกุศลให้ท่านเนี่ยพวกเราท่านทางหลายท่าเมื่อพ่อแม่ล่วงลับไปแล้ว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 นี่แหละอันนี้คือหน้าที่ของบุตรธิดาอย่างพวกเราท่านทั้งหลายเพราะว่าถึงพ่อแม่จะล้มหายตายจากไปแล้วก็จริงแต่ร่างกายของเราตั้งแต่หัวจดเท้านัเราได้มาจากใครได้มาจากพ่อจากแม่ฉะนั้นมันยังมีอยู่สมบัติของพ่อแม่ที่ให้เรานะี่ยมีอยู่ฉะนั้นเราเอาสมบัตินี้มาทำบุญมาตักบาตรมาสร้างบุญสร้างกุศล เราก็ควรจะอุทิศบุญกุศลให้แก่บิดามารดาของพวกเรา น, ะนี่แหละสำหรับฆราวาสยาโจรือทานและก็สีนคือชืรักษากายวาจาของเราให้เรียบร้อยการรักษาสินในปัจจุบันเราเป็นไปณสถานที่ใดชุมชนไหนเขาก็ยอมรับว่านี่เป็นคนมีสินเขาคงไม่มาฆ่ามาขาโมยมาประพฤติและลาบและล่วงลูกหลานของพวกเรา เขาคงไม่โกหกในสิ่งที่ไม่ถูกต้องเขาไม่ดื่มสุราอย่างนี้เป็นตน้นเราไปนสถานที่ใดชุมชนนั้นเขาก็ยอมรับทุกแห่งหนเพราะเหตุใดเพราะเราเป็นผู้มีศินนี่แหละสินในปัจจุบันคุ้มครองไปนสถานที่ใดเขาก็ไม่ระแวงระแวงแคลงใจเพราะเราเป็นผู้มีศินจากนั้นอันิี้สงศินเกิดมาพบนาชาตนาอันนี้สงสิ น, น, น, น, น, สส น, นี้กับคุ้มครองเอาเกิดไป ในภพนาอายุของเราคุณ ย, ยืนนานเราก็ไม่ทุพพลภาพทั้งร่างกายไม่เจ็บไข้ได้ป่วยไม่เสียอวัยวะแข่งขาตีนมือหูจมูกอะไรเพราะเรารักษาศีลดีศีลคุ้มครองในอนาคตด้วยนี่แหละอธินาทานศีลก็คุ้มครองอีกสมบัติของเราไปไว้นะที่ใดก็ไม่มีใครขโมย โ, ยโจรเอาไปเขาเพราะเราไม่เคยทาให้แก่เขา ศีลคุ้มครองอันนี้สงศสีลคุ้มครองศีลอันนี้สงทานอันนี้สงศีลมันเป็นพลังนะมันเป็นพลังที่เรามองไม่เห็นแต่คุ้มครองการเป็นอยู่ของพวกเราให้ได้รับความสงบร่อมเย็นเป็นสุขเพราะนั้นพวกเราพุทธบริษัทสี่สถาญาติโยมพระสงฆ์ทุกรูปทุกท่านก็ขอให้ปฏิบัติ ปฏิบัติชอบอย่างที่หลวงพ่อได้กล่าวเมื่อเป็นพระสงฆ์ก็ปฏิบัติอย่างให้อยู่ในกรอบของศีลธรรมอสรุปแล้วก็คือเป็นพระสงฆ์ก็ให้กราบตัวเองได้การกระทําทอย่างนี้ข้าพเจ้ากราบข้าพเจ้าได้ไหมอในการกระทําทอย่างนี้ถ้าว่าเราเป็นฆราวาสเราจะกราบเราลงไหมถ้าเราทําอย่างนี้อันนี้แปลว่าให้ดูตนเท้ า, าโอเข้าพเจ้ากราบข้าพเจ้าได้เลย ในการปฏิบัติศีลธรรมอย ab, ่างนี้เพราะข้าพเจ้ามุ่งม e ั่นในศีลธรรมจริงๆข้าพเจ้ากราบข้าพเจ้าได้อย่างสนิทใจในเมื่อข้าพเจ้ากราบข้าพเจ้าได้สนิทใจคนอื่นเขาก็กราบลงได้อีกเหมือนกันแต่ถ้าว่าตัวเองยังกราบตัวเองไม่ลงโอ้ข้าพเจ้าทําอย่างเนี้ยมีที่รับมีที่แจ้งไม่มีไม่มีศีลมีธรรมอย่างนี้ข้าพเจ้ากราบข้าพเจ้าไม่ลงขนาดตัวเองยังกราบตัวเองไม่ลงแล้วจะให้คนอื่นกราบ เเราจะมไม่กระดากบ้างเหรอฮสิ่งเหล่านี้มันต้องได้คิดเหมือนกันนะฝ่ายพระสงฆ์นะแล้วก็พร้อมกันฝ่ายขระวาติญาโญ ง, งอย่างที่หลวงพ่อได้กล่าวให้เป็นผู้มีคุณธรรมศีลธรรมจริยธรรมตามสมควรในฐานะของตนเองเพราะเหตุใดเพราะเรามีภาระธุรามากก็รู้อยู่แล้วว่ามีภาระธุรามากแต่ถึงยังไงก็อย่าปล่อยปะละเลยเพราะว่าพญามัจจุราชพยายมตุทูตไม่ได้เลือกว่าเอ้ย พวกนี้มันมีธุระมากข้าไม่ไปใกล้เลาหอกปล่อยให้เขาอยู่ตามสบายเถอะพยายมไม่ทูบมาได้ว่าอย่างนั้นย่องตามหลังอยู่ตลอดเปลี่ยมเวล า, าไม่รู้ว่าวันไหนล่ะ เ, เดี๋ยวกับกระชากคนนั้นเดี๋ยวกับกระชากคนนี้นบางคนก็ยังมีธุระการงานยังเต็มไม้เต็มมืออยู่ก็มาอวดโอนอีกโอ้ยข้าพระเจ้าไม่น่าจะเจ็บไข้ได้ป่วยหนักขนาดนี้ เพราะธุระการงานของข้าพเจ้าก็ยังมากอยู่ในอีกหนึ่งข้าพเจ้าก็ยังไม่ได้ทำกรรมช่วยเสียหายอะไรแอย่างพูดอย่างนั้นอีกแต่ทำยังไงได้ล่ะ เ, เราไม่ได้แต่งเอามันเป็นของอพระยามร จ, จุราชยมบทูตมากระชากเอาไปแล้วเพราะว่าบาปกรรมของเราในอดีตไม่มีใครรู้ว่าข้ขาพเจ้าทำอะไรให้กับใครไว้ในอดีตชาติทำกรรมอันไหนไว้ เคยฆ่าสัตว์เคยทรมานสัตว์เคยทุบตีสัตว์เคยรังแกสัตว์อย่างนี้กระล้วนแล้วแต่ทาให้จิตทําให้ร่างกายของตนเองเจ็บไข้ได้ป่วยเพราะนั้นพวกเราทุกๆท่านนะถึงยังไงก็รู้แล้วว่าพระพุทธเจ้าบอกไปแล้วว่ากรรมสิ่งที่กระทํำไปนั้นมันจะเข้ามาหาตัวของเราเองการคิดการกระทําการคิดการพูดการกระทำํำทุกอย่างที่มันไม่ดีเราพยายาม สกัดออกอย่าให้อยู่ในตัวของพวกเรานะแล้วก็เย็นวันนี้ก็เป็นวันพระพวกเราก็คงจะมีการไหว้พระสวดมนต์ถ้าเป็นไปได้ถ้าหลวงพ่อไม่ติดโทระไม่มีอะไรที่หนักหนาก็คงจะมีการออกกระจายเสียงในสถานีวิทยุของพวกเราอีกตอนเย็นเพราะในพรรษานี้หลวงพ่อคิดว่าจะออกเสียงสด ในสถานีวิทยุของพวกเราทุกเช้าวันพระและว้วก็เย็นวันพร ะ, ะและว้วก็ปีนี้กรถินวัดป่านานะคำน้อยของเราของมันเป็นวันที่สิบเอ็ดนะสิบเอ็ดตุลาเนะ่าจะทายาโยมทุกๆคนนะอันนี้แจ้งข่าวบอกข่าวไปยางงั้นาผู้ใดมาได้ก็มาเามานะเพราะว่ากรถินก็เป็นเรื่องใหญ่ของวัดแต่ละวัดนะแต่ถ้าคาว่ามาไม่ได้ก็ไม่เป็นไรนะมาไม่ได้ก็ยก มือใส่หัวอันนี้ก็เหมือนกันเน่ยวันพระทุกวันพระทวารสัตยายาติโยมมาไหวพระรักษาศีลได้ก็ดีทํำมาไม่ได้เอเออ้าวข้าพเจ้ายินดีอนุโมทนาผู้คนที่เข้ามาวัดสูว่วัดวาศาสนาเพราะข้าพเจ้ายังมีภาระธุระโยนี่แหะอนุโมทนาสิ่งที่เขาทําคุณงามความดีต่อไปภายภาคหน้าคุณงามความดีใครๆก็ต้องการทั้งหมดบุญกุศล แห่บุญกุศลคือคุณงามความดีนะั่นคือบุญกุศลบาปอกุศลจะให้ผลใครๆก็ไม่ต้องการทุกความเดือดร้อนบาปคือความทุกข์ยากลําบากทางด้านจิตใจเขาทุกเป็นยังไงจัดสาลาสิมทุกเป็นยังไงเราทุกขเป็นยังไงไม่มีใครต้องการทั้งนั้นแนหะทุกแต่ต้องการความสนุกสบายสะดวกสบายร่มเย็นเป็นสุขคือบุญกุศลเกื้อกูลหนุน รายในใพวกเราทธษ า, าชนิกชนจตถาญาติโยมนะให้เป็นผู้มุ่งมั่นเป็นผู้ตังใจสังสมคุณงามความดี <ฤ fit. S 1> หลวงพ่อเคยพูดย้ำจุดท้ายว่าตายแล้วไม่สูญแฮ่คำนี้ฟังเอาไว yep. ้เป็นวันรีของหลวงพ่ออินว่างั้นเถิด<อ>ด้วยมากครูบาอาจารย์ท่านจะไม่ค่อยพูดแต่วันรีของหลวงพ่ออินว่าตายแล้วไม่สูญ น, นะตายแล้วเกิดอีกนรกสวรรค์มี